28. พฤษภาคมพุทธศักราช2549ตอันนี้ก็มาคุยกันไปแบบเรื่อยๆเบาๆเป็นเกรดความรู้วันนั้นได้พูดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็อยากจะเน้นนิดหนึ่งเราพูดกันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธคุณมีกี่อย่างนะฮะ สามเนี่ยจำได้ไ้ยว่ามีอะไรบ้างพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณอันนี้จำกันแม่นยำในประเทศไทยทีนี้อีกแบบเราจะจำว่าพุทธคุณเก้าอย่างในอิติปิโสแต่ว่าเมื่อจับเป็นหลักแล้วเนี่ย คำพีท่านจะจัดเป็นหมวดเป็นหมู่สรุปโดยทั่วไปถือตามหลักมันมีสองเท่านั้นทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราจำเป็นชุดสามเราก็เคยชินไปเลยแต่ว่าหลักในคำพีที่สืบกันมาเนี่ยถือสองเท่านั้นนะถืออะไรก็พระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณนะก็เป็นเรื่องประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นปราศจากกิเลสเป็นภาวะประจำพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณนี้ที่ได้ปฏิบัติมาจกนกระทั่งว่าหลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์แล้วก็บริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธ์ก็ได้วิมุตต์ก็ได้นะวิสุทธ์วิมุตต์นี่ก็ถือว่าแทนกันได้วิสุทธ์ก็สะอาดก็ปราศจากกิเลสวิมุตต์ก็หลุดพ้นจากทุก หลุดพ้นจากกิเลสเหมือนกันแต่ว่าในหลักทั่วไปเนี่ยเขาจะถือพระคุณสองเป็นสำคัญเป็นพระคุณภาคปฏิบัติการคือปัญญากับการุณาปัญญาทำให้ดำเนินงานต่างๆจัดการต่างๆได้ก็อย่างที่บอกว่าใ น, นปัญญาพระพุทธเจ้านี่แยกสองอันที่สำคัญ คือปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจธรรมความจริงบรรลุโพธิญาณรู้ธรรมนั่นเองสองก็ความรู้ความสามารถรู้จักที่จะสื่อธรรมะที่รู้แล้วนั่นแหละมาให้คนอื่นรู้ด้วยให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายคือให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบอกแล้วว่าถ้ารู้แต่ขั้นที่หนึ่งรู้ธรรม รู้ด้วยตนเองนะไม่ต้องอาศัยผู้อื่นก็เป็นแค่ปัจเจกพุทธเจ้าถ้ารู้ได้อาศัยผู้อื่นก็รู้ตามเขาก็เรียกว่าอนุพุท ธ, ธะปรู้ตามภาษาพุททั้งหลายเป็นอนุพุทธะนีรู้ด้วยตนเองถ้ารู้แต่ว่าขาดความสามารถคือความรู้จักที่จะไปสื่อไปพูดไปสัมเดงหาทางจัด การให้คนอื่นพลอยรู้ด้วยได้ประโยชน์ด้วยก็เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าถ้ามีปัญญารู้จักจัดสรรทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าจัดตั้งชุมชนจัดตั้งสังฆะขึ้นมาได้ความสามารถรู้จักจัดการจัดตั้งสังฆะวางกฎวินัยให้ชุมชนนี้อยู่ได้ดีดและก็ ให้ชุมชนนี้เป็นแหล่งศูนย์กลางในการศึกษาที่ทำให้ประชาชนมารับประโยชน์ได้แล้วก็ชุมชนนี้เองออกไปสื่อสารส่งพระออกไปถวยแพร่ธรรมะแก่ประชาชนก็คือนำธรรมะไปให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหนึ่งเข้าถึงธรรมะในตนเองปัญญาที่1นึงปัญญาที่สองสามารถนาธรรมะนั้นไปสื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ ได้รู้เข้าใจด้วยแต่ปัญญาที่จะทำอย่างนี้ก็เพราะมีการุณาปัญญารู้ได้ตนเองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองจะไปจัดการให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็มีตัวนําแรงขับหรือแรงจูงใจก็ไดในสมัยนี้ก็เรียกแรงจูงใจก็คือการุณาเพราะนั้นการุณาก็เป็นคุณสมบัติคุณธรรมหรือพระคุณข้อสาคัญที่ทาให นำอธรรมะไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าโปรดสัตว์นะอาหลักพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณสองประการเนะี่ยเป็นสำคัญแล้วเราดูเถอะมนุษย์เราเนี่ยที่เราอยู่กันได้เนะี่ยก็การุณาเป็นตัวนำเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทาให้มนุษย์นี่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่เราจะไปติด ที่ปัญญาปัญญาเราไปยัดเยียดให้คนอื่นไม่ได้ปัญญาก็อัตตายหตโนโนโัโธปัญญาต้องรู้เข้าใจด้วยตนเองแต่กรุณามันจะไปประสานกับปัญญาคือกรุณาก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสรรปัจจัยภายนอกทุกอย่างทุกประการแม้กระทั่งไปบอกไปเล่าไปจาจีจำชัยไปพูดให้ฟังเพื่อจะให้ปัจจัยต่างๆมันพร้อมที่จะ ช่วยให้เขาเกิดปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดก็ต้องเกิดที่ตัวเขาเองกรุณาก็ช่วยเต็มที่เลยพระพุทธเจ้าก็หาทางจัดตั้งคณะสงฆ์เทศโปรดเวนัยสัตว์อะไรหาทางวิธีการทุกอย่างทุกประการที่จะช่วยเขาให้เขาพัฒนาปัญญาของเขาขึ้นมาแต่พระองค์จะทําไงก็ญาติปัญญาให้เขาไม่ได้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นไอ้ที่ช่วยกันก็ช่วยด้วยกรุณาเต็มที่แต่ในที่สุดก็ไปติดที่ปัญญาซึ่งต้องเกิดขึ้นในตัวเขาเองสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดขึ้นในตัวของแต่ละคนคือปัญญาเป็นตัวนำเลยเป็นตัวคุณสมบัติยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการที่เราจะช่วยคนอื่นในช่วยให้ดีที่สุดก็คือช่วยให้เขาเกิดปัญญาเพราะถ้าเขาเกิดปัญญาแล้วเขาพึ่งตนเองได้ถ้าเขาได้อื่นความช่วยเหลือ แต่เขาจัดการไม่ได้เขาไม่รู้ไม่เข้าใจดำเนินการไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้มันก็ไม่จบเพระเาะฉะนั้นที่เราจะช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ก็คือช่วยให้เขาเกิดปัญญาขณะพระเจ้เจ้าจุดประสงค์พระองค์ที่ไปช่วยต่งตางๆในที่สุดพระองค์ก็มุ่งที่ช่วยให้เขาเกิดปัญญาให้เขารู้จกนกระทั่งรู้เหมือนพระองค์พอ ร, รู้เหมือนพระองค์ก็จบตกลงนี้แหละ ส อ, อันเนี่ยที่สําคัญกรุณากับปัญญาเนะีพอปัญญาเกิดขึ้นพัฒนาถึงที่สุดแล้วคุณสมบัติอื่นมันก็ตามมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันเป็นระบบปัญญาไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นมาได้เองใช่ไหมมันก็ต้องอาศัยอย่างที่ว่าความสัมพันธ์กันการสื่อสารการรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันการรู้จักพูดจากจา ก, ก็อยู่ในสี่ด้านนั่นแหละ ลการรู้จักพัฒนาจิตใจมีความเพียรเอาใจใส่ที่จะคิดที่จะขยันอ่านที่จะขยันฟังแล้วก็มีสติมีสมาธิ <c oughs> ถ้าไม่มีสมาธิฟังไปก็ใจไม่แน่วแน่อีกไม่เข้าใจอีกคิดไม่ออกอีกจิตมันไม่โปร่งไม่ใสอะไรเงี้ยก็ต้องพัฒนาจิตใจให้ขยันมี่าเพียรให้มีสติให้มีสมาธิอะไรต่าง มันต้องอาศัยกันหมดเลยปัญญาไม่ใช่เกิดมาได้เฉยๆก็ต้องอาศัยระบบสีสมาธิปัญญามาและในที่สุดปัญญาก็เป็นตัวนาเป็นตัวที่ว่าพักก้าวไปปั๊บไอ้ปัญญาก็กลับมาช่วยหนุนไอ้สีสมาธิดีขึ้นไปอีกไปได้วยกันเลยเป็นทั้งระบบตกลงก็มีสองอันนี่แหละปัญญากับกรุณาเป็นตัวใหญ่ที่สุดเป็นแกนนา ฝ่ายช่วยเหลือก็กรุณาสัมผั์กันฝ่ายตัวเองก็ปัญญาต้องให้เกิดขึ้นให้ได้ตอนหลังนี่แม้กระทั่งว่าพุทธศาสนานาแยกเป็นนิกายเรียกว่าเป็นเทรวาสกับมหายานแต่ก่อนเขาเรียกว่าหินยานมหายานแต่ที่จริงก็ไม่ถูกเท่านั้นคือสับว่าหินายานนี้ก็ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ คำว่าเทราวาดนี่เกิดก่อนแต่เขาก็จัดว่าหินัญญาณ น, นี่มีหลายนิกายและเถราวาดเนี่ยเป็นอันหนึ่งในหิ น, นัญญาณและหินัญานนี่ก็หายไปหมดเหลืออันเดียวคือเทราวาดตอนนี้ก็เรียกว่าเทรวาดก็พอก็เท่ากับเป็นตัวแทนหินัญญาทั้งหมดแต่ที่จริงสัพ์ว่าหินัญานก็ไม่ใช่ศัท์เดิมเพราะเกิดขึ้นในยุคที่เกิดมหายาน มหายาณก็เพิ่งเกิดในลาพอส600ลาพอส600เกิดมหายานมหายานเรียกตัวเองมหายานแล้วก็เรียกพวกอื่นเป็นหินญาณก็ศัพท์วาหินยาณ ก, ก็เพิ่งเกิดแต่สัพท์เถระวาสนั้นเกิดตั้งแต่นานนี่แล้วในพระไตรปิฎกยังมีเลยแต่ใช้คนละความหมายคนละความหมายก็ที่เราใช้ปัจจุบันไม่ได้ชื่อนิกายก็เป็นคําที่มีมานานันได้ เทรวาสก็มีมาตั้งแต่สมัยแถวๆสังกย ญ, ญ า, าที่2ที่3ามอะไรนะั่นนะสังกย ญ, ญาขั้นที่2ก็พอสอนหนึ 100, สังกย ญ, ญาขั้นที่3ก็พอสอประมาณ2องร้อยสามสิบอร้อามสิบหกะไรแถวนั้นนะพ ร, ระเจ้าอฎจสุมาราศอันนี้ก็เขาแกล้งถ่ายกันเล่นบอกฮินัยานกับมหายานไหนเกิดก่อนเอ้ยท่านว่าไกลใครเกิดก่อน บอกเลยว่าถ่ายเล่นๆก็ต้องรู้ต้องต้องมีปฏิภาณนีนะฮ<น>ะเกิดพร้อมกันเจะว่าเกิดพร้อมกันก็มี เ, นนเนนหลือ่อมกันนิดๆนะเหลื่อมกันนิดหน่อยน่าจะมหายานก่อนก็คือว่าคําว่าหินยานเนะ่ยเกิดเมื่อเกิดมาหายาน มหายานเกิดขึ้นมาเรียกตัวเองมหายานก็เลยเรียกพวกอื่นที่เหลือว่าหินยานก็อย่างนี้ก็เท่ากับมหายานเกิดก่อนนิดนึ่งทีนี้ถ้าเอาตัวจริงตัวที่เป็นหินยานนะเกิดมาก่อนมีอยู่เดิมของเดิมที่เป็นมาก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เล่าให้ฟังอันนี้ต่อมาในสมัยหลังก็มีนักปราชญ์บอกว่าเนี่ยที่มาเป็นมหายานก็หินนยาน โดยเฉพาะที่เป็นเถรวาทที่เหลืออยู่เนี่ยซึ่งที่จริงเป็นต้นเดิมเลย mm hmm. ก็มีการเน้นพระคุณของพระพุทธเจ้าคนละขอ้อมหายาณ น, นั้นเน้นกรุณณาเน้นข้อมหากรุณาส่วนเถรวาทนี่เน้นปัญญาเขาว่าอย่า ง, ง น, นั้นนนี mm ่ hmm. นักปรารว่ากันมาบางท่านก็พูดไปถึงก็ว่าเวลานี้มหายานกับเถรวาทนี่ก็เหมือนกับปีกสองปีกของนก ที่เป็นพุทธศาสนารวมกันเป็นนกตัวเนี้ยนกที่เชื่อพุทธศาสนามีสองปีกปีกหนึ่งเป็นมหายานปีกหนึ่งเป็นเทรวาตมีสองปีกก็ครบทําให้สมบูรณ์ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของนักคิดนักเปรียบเทียบแล้วก็อย่างที่บอกบอกว่ามหายาณเน้นเน้นเรื่องมหากรุณาที่ว่าเน้นมหากรุณาก็คือว่ามหายานเนี่ยมุ่งในเรื่องการช่วยเหลือ อืนจนกระทั่งว่าให้ผู้ปฏิบัติทำอย่างเข้มข้นเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เขาจะเอาคติโพธิสัตว์บางทีเรียกมหายานว่าโพธิสั ต, ตว์ตัวญาณเพระนั้นถ้าเรียกโพธิสั ต, ตว์ตัาญาณกับมหาญาณเนี่ยคืออันเดียวกันเรียกในคนละแ ง, ง่ความหมายก็คือเป็นคติโพธิสัตว์ต้องการจะช่วยรื้อขนสัมพสัตว์ให้พ้นจะทุกหมดและตัวเองจริงจะเข้านิพพานทีหลังก็หมายความว่า ฉันบำเพ็ญบารมีจนพร้อมจะเข้านิพพานได้จะตรัสรู้แต่ไม่ยอมตรัสรู้ขยักไว้ก่อนช่วยเหลือสัตว์อื่นให้พ้นทุกไปก่อนเพราะถ้าตัวเองเข้านิพพานบรรลุไปแล้วก็เลยจบช่วยคนอื่นต่อไม่ได้ก็เลยยังไม่เข้านิพพานก็ช่วยสัตว์ประสาทให้หมดซะ ก, ก่อนแล้วตัวเองเข้านิพพานทีหลังก็เน้นมหากรุณา อันนี้เน้นไปเน้นมาจนกระทั่งว่าบางทีบางนิกายก็เลยออกไปทางอ่อนวอนไปเช่นอย่างนิกายสุขาวดีของญี่ปุ่นนิกายอมิตาภะเคยได้ยินไหมพระอมิตาภพะพุทธเจ้าโนโมอมิโตโฟงั้นนะว้าวทำนองญี่ปุ่นอมิตาภะพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่สวรรค์แดนสุขาวดีสุขาวดีนี่อยู่สวรรค์ตะวันตก ใครอยากจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระมิตตาพระเนี่ยก็ให้ออกพระนามของพระองค์ให้มากที่สุดได้วันละผัานครั้งก็จะดีและตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับท่านคือไปไปมามาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรละก็เรียกว่ามีศรัทธาให้เต็มที่มีความจงรักภักดีแล้วก็สวดมนต์อ้อนว อ, อ, อนไปเลยนิกายนี่ก็จะหนักไปแบบนี้เนะียมหายานก็จะมีแตกออกไปเยอยะแยะหมด นิกายไม่ตาพา น, นิกายสุขาวดีแต่ก่อนนี่เขาเรียกนิกายโจโดนิกายสุขาวดีเนี่ยนิกายโจโดทีนี้ต่อมาก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งก็แยกตัวออกจากโจโดเนี่ยบอกว่าโจโดนั้น ย, ยังไม่แท้จริงฉันจะตั้งสุขาวดีที่แท้เรียวกว่าโจโดชินก็เกิดเป็นนิกายใหม่เรียกว่านิกายโจโดชินแต่เรียกสั้นๆว่านิกายชิน เพื่อแยกให้ต่างเรียกสั้นๆ น, น, นิกายโจโดโก็เป็นนิกายเก่าสุขาวดีแล้วนิกายชินก็เป็นนิกายสุขาวดีใหม่นิกายชินนี่ได้รับความนิยมมากก็มีศาสนิกมากมายเป็นนิกายที่ไม่มีพระไม่มีนักบวชผมเคยไปเยี่ยมสังฆราชนิกายชินก็แต่งตัวชุดสากลนี่แหละวีผมแปล พอเราเข้าไปนั่งเดี๋ยวก็มีผู้หญิงสาวออกมาเอาน้ําชามาถวายสังฆราชท่านก็นแนะนำํำว่านี่ลูกสาวผมลูกสาวสังฆราชนีิริกายชินคือนิกายชินเนี่ยไม่มีพระไม่มีคฤือหัดไม่แยกก็หมายความว่าผู้ทําหน้าที่พระนี่ก็เป็นคลือหัดนี่แหละก็แต่งตัวอะไรแต่อะไรเป็นขลือหัดแล้วก็ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าของโรงงานสากรรมเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆได้หมดถึงเวลาทำพิธีก็ใส่เสื้อคลุมสีดาเป็นคล้ายๆผ้ามุง้งอ่ะคลุมข้างนอกแล้วเวลาไปในที่สำคัญมีเกียรติก็จะมีเป็นปื้นผ้าเหลืองห้อยคอเป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานะสำคัญในนิกาย ถ้าเราเรียกก็คือหมายความเป็นเครื่องหมายเป็นพระนั่นเองอย่างที่เราพูดกันถึงว่านี่เราแกล้งมาเที่ยมคติของเราเราบอกว่าต่อไปพุทธศาสนาจะหมดพระจะเหลือแต่ผ้าเหลืองห้อยหูหรือห้อยคอนี่ไก็มีแค่นั้นน่ะมีเป็นปืนห้อยคออ่ะอันนี้นิกายชินในญี่ปุน่นนิกายอื่นๆต่อมาก็มีครอบครัวกัน ไปไปมาแม้แต่นิกายเซนที่แต่ก่อนไม่มีครอบครัวก็พลอยมีไปด้วยเดยนี้พระญี่ปุ่นเลยมีครอบครัวหมดทั้นิกายเป็นอย่างนั้นไปอันนี้มหายานก็แปลว่าเน้นมหากรุณาเน้นคติโพธิสัตว์ให้เป็นโพธิสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นหมดแล้วตัวเองจึงจะนิพพานแล้วก็คนที่จะไปนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นว่า บางทีไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากนด่งที่บอกเมื่อกี้ะสวดมนต์อ้อนวอนออกชื่อพระนามด้วยศรัทธาอะไรต่างๆกนิกายต่างๆ mm. ก็แยกกันไปมากมายอย่างของญี่ปุ่นไม่มีทั้งหมดนิกายใหญ่ห้านิกายปัจจุบันแล้วนิกายนี้ก็จะหมดไปเป็นยุคๆนิกายในสมัยเก่าสมัยนาราเป็นราชธ า, านีก็หมดไปแล้วสูญสิ้นไปนิกายสมัยเกียวโตก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เหลืออยู่บ้างหมดไปบ้าง เกียวโตแล้วก็มาโตเกียวก่อนนั้นนาราแล้วยังมียุคกามากุระแล้วจึงมาเกียวโตแล้วก็มาโตเกียวญี่ปุ่นนี่จะมีลักษณะพิเศษมีห้านิกายเหลือปัจจุบันแล้วแยกนิกายย่อยเป็นประมาณ200รอนิกายนี่คือญี่ปุ่นแล้วกระเจิดนิกายใหม่แทบทุกปีก็เลย แปลกกับเขาญี่ปุ่นเลยเอาแล้วรวมความก็คือของมหมายายนกับเน้นหากรุณาว่าจะมีพระโพธิสัตว์นี้เป็นหลักจนกระทั่งบังทีนับถือพระโพธิสัตว์เด่นออกนําหน้าพระพุทธเจ้าเช่นพระโพธิสัตว์โกนอิมที่มาจากจีนแล้วเข้ามาเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันไปทั่วหมดพระโกนอิมเนี่ยชื่อจริงท่านว่าพระอวโลกิเตศวน เป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปจากอินเดียนั่นแหล ะ, และก็คือมหายานมีทางอินเดียก่อนแล้วก็เกิดคติโพธิสัตว์ขึ้นมีพระโพธิสัตว์มากมายแต่องค์ที่ได้รับความนิยมมากเพราะเด่นในมหากรุณาก็ชื่อว่าพระอวโลกิเตสวนแล้วก็ไปที่จีนไปไปมามาก็เป็นชื่อกวนอินไป แล้วก็ไปญี่ปุ่นก็เป็นกวนนอนญี่ปุ่นก็มีนะก็โกนอิมนี่แหละเป็นกวนนอนทีนี้คนนับถือก็กลายเป็นอย่างเนี้ยพระโกนอิมท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์มีมหากรุณาก็ช่วยเหลือไปไ ป, ไปมาๆก็แทบแยกไม่ออกกันลัตทีออนวอนอยากได้อะไรก็ไปขออันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งซึ่งพูดถึงมหายานแต่มหายาน อย่างที่ว่าและแยกนิกรายมากมายอย่างนิกายเซนเขาก็เน้นสมาธิเน้นความเพียรเขาตนเองมากอยู่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวเน้นสมาธิแค่ว่าใช้ความกรุณามาช่วยมาโปรดก็ไม่เชิงก็ต้องเพียรพยายามด้วยตนเองมากทนั้นก็เป็นเพียงลักษณะทั่วไปคล้ายๆว่าหมายาเน้นเน้นหมากรุณาส่วนของเถระว่าก็บอกเน้นปัญญาแต่เน้นปัญญาเอาเขาจริงเน้นจริงหรือเปล่า ก็พูดกันไปแล้วนะคล้ายๆว่าเน้นปัญญาก็คือเน้นในแง่ว่าต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้เกิดปัญญาได้ตนเองถือววัตรสัตว์สรูนี่ต้องใช้ความเพียรพยายามแต่ว่าเอาเขาจริงก็ดูมองไทยนี่นิยมปัญญาหรือเปล่าไม่รู้เออมันก็น่าสงสัยเนะี่ยสังคมไทยผมมองดูก็เน้นเรื่องกรุณายแหละใช่ไหมเน้นความเมตตาการุณาก็เราก็เห็นกันในในสังคมเนี่ย เน้นแต่เรื่องเมตตากรุณาช่วยเหลือกันดีนะคนไทยก็มีน้ําใจจนกระทั่งได้ชื่อในระหว่างประเทศว่าคนไทยนี่มีน้ําใจมากเจะว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเถรวาทนี่เน้นปัญญามก็เน้นกรุณานี่แหละอืมยังไงพวกนักปราชญ์นี่บางทีก็เชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันต้องค่อยๆ ค, คิดพิจารณาตรวจสอบดูอาจจะเป็นแง่ๆคล้ายๆอ า, า, าการปฏิบัติธรรมคันหลุดพ้นแล้วบางที เหมือนก็นจะเน้นอย่างนั้นแต่ก็ไม่เชิงอีกแหละดูเมืองไทยละเนี่ยวัฒนธรรมสแสวงปัญญานี่ขาดมากเราจะเน้นเรื่องเมตตากรุณาการช่วยเหลือกันมากและเรื่องการหาความรู้ไม่ค่อยมีอย่างที่พูดวันก่อนแม้แต่มีเรื่องราวอะไรกันขึ้นก็ชอบให้ความเห็นแต่ไม่หาความรู้ขอแทรกนิดหนึ่งอย่างเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็อย่างที่ยกตัวอย่างมวลสื่อลง ก็จะสร้างพระพรหมพระพรหมถูกทำลายไปจะสร้างพระพรหมใหม่ถ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นผู้บริหารประเทศชาติหรือใครก็ตามเนี่ยก็ต้องรีบคิดและช่วงเวลาระหว่างองค์เก่าถูกทำลายองค์ใหม่จะสร้างด้วยก็แสดงเป็นจุดสนใจขึ้นมาแม้แต่เพียงถูกทำลายก็เป็นจุดสนใจจะต้องถือเป็นโอกาสที่จะให้ความรู้กับประชาชนความรู้เรื่องพระพรหมเป็นยังไงไงรีบให้เลย ผมสังเกตดูเมืองฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเรื่องวัฒนธรรมแสวงปัญญามาอย่างตอนอเมริกันอังกฤษพกฝรั่งมารบกับอิรักมารบอัฟกานิสถานมารบกับทาลิบันก็คือเด่นเรื่องศาสนาอิสลามเพราะว่าทางด้านนี้เขามีศาสนาอิสลามเป็นใหญ่แล้วก็ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เข้าไปสู่กิจกรรมทุกอย่างของชีวิตมันไม่เหมือนศาสนาอื่น คือศสนอิสลามนี่ถือว่าเป็นทุกอย่างของชีวิตผู้นําขาศาสนาเป็นทั้งผู้ปกครองประเทศเป็นทั้งแม่ทัพเป็นทั้งนักบวชก็ไม่เรียกนักบวชเพราะเขาถือว่าเขาไม่มีนักบวชอิสลามที่แท้ไม่มีนักบวชเพื่อจะมาตอนหลังเนี่ยมามุมสลิมคลริกอะไรแต่ไรนี่ว่ากันไปนะซึ่งอิสลามเองเขาก็เถียงว่าเขาไม่มีละนักบวชแต่ตามหลักการที่แท้นั้นอิสลามไม่มีนักบวชเพราะว่า พระศาสดาและก็กาหลิบต่อมากาหลิบก็คือซักเซสเซอร์ผู้สืบต่อกาหลิบก็เป็นประมุขประเทศด้วยล้วเป็นผู้นำของศาสนาประมุขศาสนาด้วยเป็นทั้งประมุขศาสนาเป็นพระประมุขของประเทศแล้วก็เป็นแม่ทัพด้วยเป็นทุกอย่างในตัวอันนี้ศาสนาอิสลามตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในการที่ฝรั่งมาสัมพั์กับพวกอิรักพวก ตะวันออกกลางมากระทั่งอัฟกานิสถานปากีสถานจะเห็นว่าวิทยุฝรั่งจะมีรายการเต็มบริการให้ความรู้เรื่องสอนหนอิสลามแต่สังคมไทยเรามิจะให้ความเห็นกันไม่ให้ความรู้การให้ความรู้มันมีว่าหนึ่งความรู้ล้วนๆที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเรียกว่าความรู้ตามที่มันเป็น ไม่มีความเห็นไม่มีการวิจารณ์โดยเฉพาะสังคมไทยอันนี้สําคัญมาและอีกขั้นหนึ่งค่อยมีความรู้ที่มีความเห็นประกอบมีวิจารณ์เรืออร่องอทีนี้สังคมของเราทําไม่พร้อมเราก็เอาขั้นที่หนึ่งก่อนความรู้ล้วนๆความรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นกลางๆกง็ความรู้มันไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงเป็นยังไงอย่างเรื่องพระพรหมนี่ก็ถือโอกาสให้ข้อมูลเลย อาพระพรมแตกท่านเป็นใครอย่างที่ว่าคลังจา่แล้วบอกไปกราบพระพรมยังไม่รู้ว่าพระพรมที่ตัวไปกราบคือใครเนี่ยคนไทยขนาดนี้เ ป, นเป็นไปได้ยังไงไม่รู้จักหาความรู้แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบสังคมก็ไม่เอาใจใส่ที่จะให้ความรู้เพราะพระพรมแตกพังก็ต้องให้ความรู้เลยว่าพระพรมเนี่ยคือใครท่านเป็นยังไง แล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาเองคติพุทธเป็นไงคติพราม์เป็นไ ง, พ, นไงพระพรมองค์นี้มาจากคติไหนเป็นพรามณหรือเป็นพุทธ น, นี่ว่ากันนัวเนียบทไม่รู้อะไรเป็นอะไรทีนี้ก็เดาสิเดาแล้วก็มีแต่ความเห็นก็เลยต้องถือว่าเป็นสังคมที่ขาดวัฒนธรรมสแสวงปัญญาเนียไม่หาความรู้และจะบอกว่าเป็นสังคมเอาพุทธคุณข้อปัญญามันได้นยังไง ไม่เห็นเน่นเลยบอกว่าเน้นพระคุณข้อปัญญาไม่ได้เอาเรื่องเลยแต่ว่าเน้นด้านจิตใจจิตใจเรื่องเมตตากรุณานะผมเคยพูดอันหนึ่งนะอะไรนะมีเรื่องหนึ่งเคยพูดไว้แล้วก็ตั้งชี่อบอกว่าก้าวไปให้เป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหมสังคมไทยเราเนี่ยต้องก้าวไปให้เป็นพุทธเป็นพุทธก็คือต้องปัญญาพุทธแปลว่าตื่นรู้ตรัสรู้จะ ต, ตรัสรู้ก็ได้ปัญญาได้โพธิญาณ ทีนี้เป็นพรหมนี่ได้ด้วยเมตตากรุณาคือได้จิตใจได้วความรู้สึกดีสังคมไทยเราได้เมตตากรุณาเราหนักแน่นี้ก็ได้เป็นสังคมพระพรมคนไทยก็เป็นพระพรหมแต่ว่าไม่สามารถเป็นพุทธได้เพราะไม่พัฒนาปัญญาก็เลยบอกว่าจงก้าวไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหมดีแล้วที่มาได้เป็นพรหมก็มีจิตใจที่ดี แล้วพรหมของเราก็ผลิภูมิมกติพุทธที่มีเมตตากรุณามุติตาเบิกขาเพราะพรหมเขาพรามนั้นบอกเลยเพราะพรหมสี่หน้าหมายถึงหนึ่งวันณะสี่สองยุคสี่สามพระเวสสี่เดิมมีตายเพศคือพระเวสสามหนึ่งฤกษเวสเก่าที่สุดแล้วก็สองยชุรเวสแล้วก็สามสามเวสสามเวสเวส ท, ท, ที่สามพอดีเลยก็ครบแล้ว ต่อมาภายหลังก็เกิดพระเวทแถมขึ้นมาอีกหนึ่งเรียกว่าอาถรพนาเวทไทยเรียกว่าอาถรพเวทก็เป็นเวทที่สนะีก็เป็นหน้าเป็นพระพักของพระพรหมสี่นะเอาก็เลยหันมาพูดเรื่องนี้นิดหน่อยเป็นความรู้คือเรามาอยู่ในเมืองไทยแม้แม้จะไม่บวชเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากคติ พุทธศาสนาแล้วก็ปนเรื่องศาสนาพราหมณ์อะไรต่างๆเรื่องวัฒนธรรมที่สืบมาแบบนี้ที่จริงเราควรรู้นะเหมือนกับฝรั่งเขาต้องรู้เรื่องกรีกเรื่องโรมันเขาก็ถือกรีกนี้เป็นปูรพาจารย์ของเขาฝรั่งมีไม่รู้ไหมเรื่องโซเครติสเฟโตอาิสโตตินอ่ะก็ได้ยินกันท้งนั้นอ่าแล้วเขาไทยเราอะ ก็เราอยู่ในอาริยธรรมของเราทําไมเราไม่ค่อยรู้เรื่องรากฐานอริยธรรมของตัวต้องรู้สิอย่างนี้เราก็แย่เราก็เสียเปรียบใช่ไหมถ้าใช้หลักรู้เขารู้เราเราก็แย่แล้วแหละเน่รู้เขารู้เราเขาเราก็รู้ไม่จริงความเป็นมาของอริยธรรมตอนตกเราก็รู้น้อยแล้วรู้เราเราก็ไม่รู้ซะอีกเราก็แย่อย่างเรื่องพระพรหมนี่ก็เลยเถี่ยวกาดเล่าอีกนิดหน่อยเรื่องพระพรหมเนี่ย เวลานี้ก็มาสับสนกับเรื่องพระนารายณ์พระอิศวรแล้วก็พูดกันไปต่างๆที่จริงก็ควรจะรู้เชิงประวัติศาสตร์นิดหน่อยจะได้เข้าใจผมจะเล่านิดๆหนึ่งนะบางทีก็แทรกส่วนที่แทรกอะไรนี้ก็ท่านก็ไม่ต้องถือเป็นสำคัญถือเป็นความรู้แถมก็คือว่าเรื่องของพระพรหมนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่า เกิดในศาสนาพราหมณ์ของอินเดียทีนี้ศาสนาพราหมณ์ของอินเดียเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เกิดในอินเดียเดิมนะมันมากับพวกอารยันและอารยันมาจากไหนโน่นมาจากอิหร่านแต่ที่จริงมาก่อนอิหร่านอีกมันมาจากทางทะเลสาบเหนือขึ้นไปนวนเอาละเรามาเริ่มต้นที่อิหร่านอิหร่านเนี่ยนะครัวิเคราะห์ศัพท์ว่าเพี้ยนมาจากคาว่าอารยัน อิหร่านแปลว่า the land of the aryan เอาแล้วแล้วครยคุยกันใหม่วันนี้ก็เอาเท่า น, นี้ก่อนพรุ่งนี้มาต่อกันนะ